บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปนัยะแห่งคำกราบทูลของท่านปิงกยะมาน์นั้นท่านมีความมุ่งหมายที่จะให้พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมะซึ่งเมื่อท่านปฏิบัติไปแล้วสามารถข้ามพ้นชาติและชาราไปได้ ธมาที่ส่งแสดงจึงเป็นการแสดงในเชิงเป้าหมายสูงสุดเพระการที่จะการที่คนจะข้ามพ้นชาติชราได้นั้นจะต้องมีการปฏิบัติในลักษณะที่ตัดชาติคือความเกิดได้ซึ่งชาติความเกิดก็เป็นผลมาจากภพเพราะในข้อปฏิบัติก็ต้องตัดภพได้ด้วยแต่ภพก็เป็นผลที่เกิดมาจากอุปาทานอุปาทานก็เป็นผลมาจากเกิดมาจากตัณหา ในเชิงของการปฏิบัติแล้วก็ไปตัดที่ตัวเหตุคือพวกที่เราเรียกว่ากลุ่มของสมุทัยหรือกลุ่มของกิเลสทั้งหลายยาในสายของปฏิจจสมุปบาทก็ทรงแสดงไว้สามข้อเกือวิชาตัณหากับอุปาทานแต่คนที่จะปฏิบัติได้ในระดับนั้นมีอยู่เป็นจำนวนน้อยและจริงไม่ได้น้อยเฉพาะในสมัยนี้คือน้อยมาทุกยุคทุกสมัย แม้ในสมัยของพระพุทธเจ้าเองก็มีอยู่จํานวนน้อยอย่างที่รับสั่งแสดงว่าคนจํานวนน้อยเท่านั้นที่ขึ้นฝั่งปณิพานได้คนส่วนมากแล้วก็ทําได้เพียงเลาะเลาะฝั่งไปเท่านั้นเองปัญหาสำคัญจึงน่าศึกษาก็อยู่ที่ว่าในฐานะที่ยังไม่สามารถขึ้นฝั่งได้การได้ข้ามพ้นชาติกับชาราจึงเป็นไปไม่ได้ เว้าชาติชรานั้นเป็นความทุกข์ก็อยู่ในกลุ่มของทุกข์กระสัททำอย่างไรบุคคลจึงสามารถบรรเทาทุกข์ซึ่งเกี่ยวข้องกับชาติได้ชราเป็นต้นลงไปได้ก้นนี้ทรงแสดงธรรมะในลักษณะที่ลดหลั่นกันลงมาโดยดําดับเพื่อพูต บ, บริษัทสามารถสัมผัสผลได้ในชั้นใดชั้นหนึ่งตามกาลังความสามารถแห่งตน ซึ่งสำนวนภาษาบาลีที่ท่านนิยมใช้กันมากคนในสังคมไทยเราแต่ก่อนใช้กันมากใช้คำว่ายถาสติยถาพลังคือหมายความว่าให้ได้รับผลตามฐานะตามกําลังของตนที่จะทําได้ในเรื่องของชาติที่แปลว่าความเกิดนั้นโดยความหมายที่เต็มรูปก็คือการเกิดในกําเนิดทั้งสี่ จะเกิดในคันเกิดในไข่เกิดในของสกปรกหรือเกิดโดยโอปปาติกะทำอย่างไรบุคคลจึงจะลดสภาพความเกิดให้บรรเทาเบาบางลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ลดลดลงในฐานะภพคือพวกสังขารภพได้แก่คารปรุงคิดได้คิดปรุงด้วยอำนาจของบาปดรวยอำนาจของบุญคืออย่างน้อยก็ด้วยอํานาจของบาป จะทำยังไงว่าจะลดความคิดปรุงด้วยอำนาจของบาปไปบรรเทาประบางลงไปบ้างเพราะสภาพจิตของบุคคลที่มีความเปลี่ยนแปลงไปจนถึงปลักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาแล้วออกมาในรูปของการเบยดเบี้ยร่ำพันนั้นหรือแม้แต่ออกมาในรูปของการสร้างสรรค์ประโยชน์เกื้อกูลก็ขึ้นอยู่กับการปรุงคิดคิดปรุงของบุคคลในกรณีที่เป็นการสร้างสรรค์ก็ปรุงคิดในแนวที่เป็นบุญที่ท่านเรียกว่าบุญญาภิสังขาร แนวขางการทําลายล้างก็เกิดขึ้นมาจากปรุงคิดคิดปรุงเโดยหน้าที่เป็นบาปแน่นอนคำว่าบาปบุญที่จริงก็เป็นผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากกุศลกับอกุศลอีกทีหนึ่งแต่เฉพาะช่วงนี้จะพูดเฉพาะช่วงของความเป็นบาปเป็นบุญจะทํำยังไงบุคคลจะสามารถลดละการปรุงคิดในรูปที่เป็นบาปซึ่งมีผลเป็นความเดือดร้อนให้เบาปางลง เขนี้อาจจะอาศัยองค์ธรรมทั้งสประการดังที่กล่าวในวัน ก, นก่อนก็ได้คือเรื่องของอิทธิบาต ท, ทั้ง4ประการโดยบุคคลพยายามปลูกฝังความพอใจในความคิดที่เป็นกุศลและเพียนพยายามที่จะประกับประคองความคิดของตนให้อยู่ในครองของกุศลเพื่อจะให้ชีวิตประจําวันของตนเดินไปในครองของสุจริตการกระทําก็ให้เป็นสุจริต คำพูดก็ให้เป็นสุจริตโดยใช้จิตเป็นตัวการกำหนดหรือจิตประกอบด้วยมโนสุจริตเป็นพื้นถ้าทำเป็นพื้นจริงๆไม่ได้คือตามปกติเราก็ทำได้ยากอยู่แล้วก็ให้ช่วงอยู่นานๆหน่อยจะได้ความคิดที่เป็นกุศลสมมติวันนี้สามารถรักษากุศลในจิตไว้ได้หนึ่งชั่วโมงก็พยายามเพิ่มขึ้นไปชั่วโมงห้านาทีชั่วโมงสิบนาทีก็เพิ่มไปเรื่อยๆ เพื่อให้จิตได้สัมผัสความสุขสัมผัสความสงบมากยิ่งขึ้นในชีวิตประจำวันั้งการที่ท่านแสดงความคิดของบุคคลที่ท่านกล่าวมนุษย์บางประเภทที่จริงแม้จะเป็นคำกล่าวในยุคหลังคือไม่ใช่เป็นพระพุทธํารักของพระพุทธเจ้าโดยตรงก็าตามแต่เป็นเรื่องที่น่าคิดว่า สิ่งที่ท่านกล่าวว่ามนุษย์สเดตานโนมนุษสเปโตมนุษยนิริโกมนุษสามนุษโสเป็นต้นเนี่ยคือเน้นไปในเรื่องชีวิตประจำวันเน้นไปถึงสภาพจิตของบุคคลในแต่ละขณะเช่นมนุษยนิริยโกร่างกายเป็นมนุษย์แต่จิตใจตกนรกซึ่งหมายถึงจิตใจที่เต็มไปด้วยความโกรธความอาฆาตพยาบาทแฝดเผาจิตใจของตนเอง ให้รุนแรงเร่าร้อนไปด้วยประการาต่างๆเพราะนั้นถ้าบุคคลสามารถลดความรุนแรงของความโกรธคือแม้จะเกิดโกรธก็อย่าถึงให้ตกตะกอนกลายเป็นพยาบาทอาฆาตลงไปสภาพจิตที่เป็นเช่นนั้นก็จะลดลงไปและเมื่อคมได้บรรเทาได้สงบได้มากยิ่งขึ้นสภาพจิตที่เร่าร้อนรุนแรงก็บรรเทาลงไปโดยดํามดม จนถึงจุดเดินก็กลายเป็นการสงบพยาบาทนิวร์คือสงบแม้ในระดับของนิวรหรือมนุษย์สตเดรัจฉานโนเป็นสภาพร่างกายของมนุษย์แต่ว่าจิตใจเป็นสัตว์เดรัจฉานหมายถึงจิตที่มืดบอดด้วยเหตุผลไม่ใช่เหตุผลในการดารงชีวิตทําอย่างไรบุคคลจึงสามารถเพิ่มพูนปัญญาความรู้เหตุผลขึ้นมา และพยายามใช้เหตุผลในการทําในการพูดและในการคิดก็ น, นี้เพื่นสังเกตว่าความคิดในแนวที่เป็นอุทธจักกุกุจจะคือพุ่งสั้นรำคาญเป็นความคิดที่บุคคลหาคําตอบไม่ได้พอ ค, คิดไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรถ้ก่อนจะคิดอะไรอย่างน้อยที่สุดบุคคลก็ควรจะตั้งคาถามขึ้นมาแล้วก็หาคําตอบไปได้ถึงสามช่วงคิดเรื่องอะไรคิดไปเพื่ออะไร คิดไปแล้วได้ประโยชน์อย่างไรถ้าไม่ได้ประโยชน์ก็ถามตัวเองว่าคิดไปทําอะไรเพราะคนเราจะทําอะไรก็ตามเมื่อไม่ได้ประโยชน์ไม่รู้จะทําไปทําไมความคิดก็มีลักษณะอย่างนั้นในการทํางานเราต้องสูญเสียเรี่ยวแรงเวลาไปแล้วก็ช่วงของชีวิตในขณะนั้นไปการคิดโดยไม่มีผลประโยชน์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันอายุของตนก็น้อยลงไปเวลาก็ผ่านไป ที่แรงต่างๆก็ถดถอยลงไปจึงเป็นการคิดที่ไม่เกิดประโยชน์แต่นั้นก็พยายามบรรเทาความคิดในแนวนี้ลงไปแต่น้อยก็ใจก็ไม่ไปอยู่ในสภาพเดียวกับสัตว์เดรัจฉานอย่างที่ท่านแสดงไว้หรือมนุษย์สเปโตที่ท่านใช้คำว่ามนุษย์สเปโตก็หมายถึงว่าร่างกายก็เป็นมนุษย์แต่ใจนันหิวกระหาย มีความอยากได้มีความปรารถนามีการไขว้คว้ า, าไม่มีที่สิ้นสุดที่นั่นยกตัวอย่างเป็นรู ป, ปรธรรมคือรู ป, ปรธรรมในที่นี้หมายความว่าก็เป็นะกูลของเปรตะกูลหนึ่งที่ท่านแสดงไว้ในสิบสองสกุลปเปรตบางชนิดนั้นมีปากเทะลุเข็มแต่มีท้องเทะปูเขาถึงมองในเชิงรู ป, ปรธรรมเราก็เห็นได้ชัดว่าพวกนี้จะหิวอยู่ตลอดเพราะว่าปากนำอาหารเข้าไปได้น้อยแต่ว่าท้องรับอาหารได้มาก ความอุกกระหายก็ต้องเสียดแทงอยู่ตลอดไปก็มีความอยากที่ต่อเนื่องจนไม่อาที่จะบรรเทาได้สภาพจิตของบุคคลบางครั้งบางโอกาสก็เป็นเช่นนั้นคือปล่อยความโลภ ค, ค, ครอบงำไปครอบงำจิตใจของบุคคลที่บางครั้งพระพุทธเจ้าจทรงแสดงว่าถูกตันหาเสือกใสไปในอารมณ์ต่างๆ ลักษณะการศึกษายก็พูดได้เห็นเป็นรูปธรรมว่าเหมือนคนที่เขาถูกผลักถูกศึกสายไปก็ feet, ไม่เป็นตัวของตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้ก็แล้วแต่ใครจะผลักไปไหนอาจจะต้องหกล้มหกลุกอาจจะไปกระทบกับของแข็งหรืออาจจะตกเขียวตกบบาไปก็ได้ความคิดที่ถูกถูกกระแสของตานหาผลักใส่ไปในลมต่างๆก็มีลักษณะอย่างนั้นอยากได้รูป อยากได้เสียงอยากได้กลิ่นอยากได้รสอยากได้สัมผัสที่ตนเกิดความไร่ความปรารถนาความพอใจแล้วไม่สามารถที่จะลดความอยากลงไปได้ใน้สุดก็เพียนพยายามที่จะตอบสนองสภาพความจิตใจบุคคลจึงเป็นเหมือนการวิ่งไล่เงาวิ่งไล่จับเงา ไม่มีใครที่จะสามารถจับเงาได้เดี๋วิ่งไล่ทันเงาของตนได้เพราะในขณะที่เราเคลื่อนไหวไปเงามันก็เคลื่อนไหวตามไปด้วยกิเลสที่บังเกิดขึ้นภายในใจประเภทโลภะหรือประเภทตัณหาก็แล้วแต่จะเรียกคือกิเลสประเภทคว้าเข้ามาหาตัวอย่าทําให้จิตใจของบุคคลหิวโหยคืออยากได้อยู่ร่ําไปเรามองเห็นโทษของความเกิดความคิดในลักษณะนี้ก็เพี่ยนพยายามบรรเทาความคิดในสายนี้ d o n จะน้อยที่สุดแม้จะมีความอยากได้ปรารถนาพอใจอยู่ก็ควบคุมความคิดให้อยู่ในจุดที่จะไม่ไปละเมิดศีลธรรมให้สามารถแสวงหาสิ่งต่างๆมาในทางที่ชอบธรรมจเรียกว่าเป็นสัมมาชีตก็เป็นการปรับจิตใจของตัวเองพร้อมกวยกายของตัวเองให้อยู่ในสภาพที่เป็นมนุษย์ที่ท่านใช้คบว่ามนุษย์สมนุษย์โส ร่างกายก็เป็นมนุษย์จิตใจก็เป็นมนุษย์พระจิตใจที่เป็นมนุษย์นั้นเมื่อกล่าวโดยพิสดารก็เป็นเรื่องพิสดารแต่ถ้ากล่าวโดยสรุปก็คือจิตที่ประกอบด้วยสัมมาทิฐินั่นเองแต่แก่มีปัญญาเห็นชอบตามความเป็นจริงตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆเป็นลักษณะของปัญญาที่เพิ่มพูนขึ้นอยู่ในชั้นของการใช้งานได้ จะงานวิเคราะห์วินิจฉัยสิ่งต่างๆได้ใช้จําแนกแยกแยะสิ่งต่างๆได้สามารถวินิจฉัยตัดสินว่าอะไรเป็นทางเสื่อมอะไรเป็นทางเจริญและสามารถใช้อุบายวิธีในการหลีกหนีทางเสื่อมมาดําเนินในทางเจเรตได้ในข้อนี้ทรงแสดงว่าเป็นมนุษยธรรมคือธรรมะที่ทําคนให้เป็นมนุษย์และพวกนี้ก็แตกกิ่งก้านสาขาออกไปกลายเป็น พฤติกรรมที่สะท้อนออกมาทางกายทางราจาทางใจก็กลายเป็นพวกกุศลกับบท10ประการแต่ว่าฐานใหญ่จริ ง, รงๆก็มาอยู่ที่ตัวร่างคือสมาธิข้คนี้ในเชิงการศึกษาและปฏิบัติธรม า, าน้นพึ่งสังเกตว่าอย่างในปัจจุบันในเราสนใจเรื่องทศพิธราชธรรมกันมากมีการเผยแพร่กันในลักษณะต่างๆจนถึงประชุมสมัมมนาเรื่องการปฏิบัติา ต, ตามหลักของทศพิธราชธรรม ที่จริงทศพิราจะทำก็มีลักษณะเช่นเดียวกันกับธรรมะที่เป็นที่ทําคนให้เป็นมนุษย์นั่นก็คือหัวใจมาอยู่ในข้อสุดท้ายที่ท่านใช้คําว่าอาวิโรธชนะเว่าการกระทําอะไรไม่ผิดการกระทําอะไรไม่ผิดได้ก็ต้องอาศัยการใช้ปัญญาวิเคราะห์ตรดสอบสิ่งที่ตนกระทําสามารถมองผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการกระทําได้ท่านก็ใช้คําว่า ไม่กระทําอะไรให้ผิดหรือไม่ไม่มีการกระทําที่ผิดซึ่งก็เป็นเรื่องของปัญญาเช่นเดียวกันนี่ประการต่อไปนั้นที่จริงแล้วพึงสังเกตว่ามันขึ้นอยู่กับการถามเฉยๆเพราะในกระบวนของทุกข์สัตว์นั้นบางท่านก็พูดถึงชาติกับชราบางครับบางท่านก็พูดถึงชาติบางครับบางท่านก็พูดถึงความทัดท่าบางท่านก็พูดถึงความเจ็บปวด คือในในแง่ของโรคไัยไข้เจ็บบางท่านก็พูดถึงเฉพาะเจลาเฉยๆแต่อย่าลืมว่าที่จริงมันเป็นกระบวนการจะพูดตรงไหนก็ได้แต่ในเชิงของ ก, การทำลายแล้วก็ต้องทำลายทั้งระบบถ้าจะบันเทาก็ต้องบันเทาทั้งระบบคือบันเทาในจุดใดจุดหนึ่งแล้วผลการจากการบรรเทานั้นก็จะกระเทือนไปถึงในส่วนอื่นๆ คำนองเดียวกับเรารดน้ำต้นไม้ที่โขนแต่ว่าผลจากการรดน้ำนั้นก็แพร่กระจายจไปตลอดทั้งลำต้นของต้นไม้นั้นนี่คือเรื่องที่มันเป็นกระบวนการคำถามของท่านปิงกิะนั้นเริ่มที่ชาติแล้วก็ไปลงที่ชราไม่ได้พูดถึงการพลัดพรากความทุกข์ในลักษณะอื่นตลอดถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยและแม้แต่ความตาย เพราะอะไรเพราะความตายก็ดีหรือว่าสิ่งที่กล่าวแล้วก็ดีเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากชาติาแต่ชาติความเกิดไม่มีก็เรื่องนี้ก็ชื่อว่าไม่มีตามไปด้วยแต่ในกรณีของชาราซึ่งสามารถบรรเทาไม่ถึงสามารถกะข้ามไปได้นั้นพูะเจ้าก็ทรงสอนให้บุคคลเข้าใจชาราในแง่ของความเป็นจริงชารานั้นได้แก่ความแก่ เวลาที่บายในเต็มรูปจริงๆก็คือความแกง่งอมของอินทรีย์คือชีวิตได้แก่ผมงอกฟันหักหนังเขียวตาเฝ้าฟางหูไม่ได้ยินหลังโคตโกงมีสี่โครงเหมือนมอีโครงกระดูกปรากฏให้เห็นทั่วสารพางกายเป็นต้น น, นี่เป็นภาพชาราจริงๆจริงๆจะเหนชัดกันจริงๆแต่ในขณะเดียวกันถ้าจะมองชาราเฉพาะจุดนี้คนที่ยังไม่ชาราก็หมอบประมาทอยู่ได้ เรายังมองเห็นว่าเรายังไม่ชราเรายังไม่แก่เพราะฉนั้นเวลาทรงแสดงเรื่องชรานั้นจะทรงใช้ชราสองช่วงบาลีตั้งใช้คำว่าปฏิจันนาชรากับอปฏิจันนาชราปฏิจันนาชรานั้นคือชราที่มันปกปิดอยู่เป็นการนับตั้งแต่ปฏฐมจิตปฏฐมวิญญาณที่ถือปฏิสนธิในคันมันดาหลังจากนั้นมา ก็เดินทางเข้าสู่ความชราแม้คลอดออกจากคาันมารนาก็เริ่มเดินทางเข้าสู่ความชราโดย ด, ำดำับดับแต่ตอนนี้เป็นชราที่ปกปิดเกิดจะจะเทียบเคียงว่าแก่กว่าใครก็ต้องแก่กว่าคนที่อ่อนกว่าเจะเด็กสองขวบก็แก่กว่าเด็กหนึ่งขวบเป็นต้นเนยแต่ไม่จะไปเทียบกับคนที่แก่กว่าถ้าเทียบกับคนที่แก่กว่าแกก็อ่อนกว่า ก็แสดงว่าในขณะที่เรารู้สึกว่าเรายังเด็กเรายังหนุ่มเรายังสาวนั้นมีคนที่เด็กกว่าหนุ่มกว่าและก็สาวกว่าและในคนที่ในชุดที่รู้สึกว่าอ่อนกว่าเราก็มีคนที่ที่อ่อนกว่าแกลงไปอีกแต่ในขณะเดียวกันก็มีคนที่แกกว่าแกอีกเราแสดงว่าแต่และคนนั้นอยู่ในช่วงของชารา ح. คือความแก่แต่ในช่วงนี้เองทาให้เนื่องจากบุคคลมองไม่เห็นว่าตัวเดินทางไปสู่ความแก่ มองเห็นว่าเดินทางไปสู่ความเป็นหนุ่มเป็นสาวมีความเ ป, ปล่งปลั่งมีน้ ำ, ม, นำมีนวลมีความสวยงามเพิ่มขึ้นจึงเพลิดเพลิ น, นละระลงกลงในเรื่องนี้ก่อให้เกิดอาการอย่างหนึ่งที่ทรงใช้คําว่าประมาทความประมาทก็แบ่งออกเป็นสามช่วงใหญ่ใหญ่เธอก็มีอยู่ทุกยคุคทุกสมัยแล้วก็มีเกิดคนทั้งหลายนั่นคือความประมาทในวัยกือถือว่าตนเองยังเป็นหนุ่มเป็นสาวยังมีเรี่ยวแรงยังแข็งแรงอยู่หรืออายุยังไม่มากหรือมีคนอื่นอายุมากกว่า าก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะยังมีคนที่แก่กว่าเราและในสุดก็กอให้เกิดอาการประมาทขึ้นตามตอนั้นในช่วงนี้ทรงสอนให้เข้าใจถึงความจริงแห่งชีวิตว่าชีวิตที่เดินทางไปสู่ความแก่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราจะตายต่อเมื่อแก่แต่แท้จริงแล้วความตายปรากฏเมื่อไรก็ได้ บางครั้งทรงอุปมาให้เห็นอย่างในคาถาที่พระท่านใช้สวดในพิธีทําบุญเกี่ยรติศพเจ็ดวันสิบห้าวันร้อยวันอะเนี่ยหรือทําบุญกระดูกก็ก็ใช้คําสวดเหล่านี้ก็รทรงแสดงเป็นอุปมาว่าชีวิตของบุคคลเรานั้นเหมือนอยู่ในวงล้อมของภูเขาที่กลิ่งบดมาในทิศทั้งสี่อุปมาเทียบเคียงคล้ายๆกับภูเขาจะบดกริ่งมาได้ และในที่สุดทุกชีวิตก็จะถูกทับถูกภูเขานั้นทับให้ตายไปการทับของภูเขาจึงไม่ได้เลือกทับว่าต้องเลือกทับคนแก่ก่อนแล้วก็ทับคนใบทีลรดหลานลงมาที่จริงใครถึงก่อนก็คนนั้นก็โดนทับก่อนหรือบางครั้งทรงสอนให้มองดูใบไม้ที่หล่นลงมานั้นก็ไม่ใช่เจาะจงว่าจะต้องเป็นใบใบเหลืองเท่านั้นจึงจะหล่นใบอ่อนก็หล่นได้หรือเพล่งโปรออกมานอนก็หล่นไปได้ ชีวิตของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะในช่วงของชราที่กำลังปกปิดอยู่นั้นก็ทรงสอนให้บุคคลตระหนักถึงชีวิตที่ไม่มีนิมิตไม่มีเครื่องกำหนดหมายวาความตายจะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ให้บุคคลรีบเร่งใช้การเวลาที่อวัยวะยังปกติอยูส่สติปัญญายังมีอยู่ความเพียรพยายามยังมีอยู่ คืมีความพร้อมที่จะประพฤติปฏิบัติความดีก่อยรีบเร่งประพฤติปฏิบัติความดีตามขณะตามเวลาที่มาถึงเข้าโดยสังเกเห็นว่าเวลาของชีวิตที่แท้จริงนั้นไม่ได้อยู่ที่คนเราเกิดมานานแต่ปัญหาสำคัญอยู่ที่ว่าในช่วงที่เราเกิดได้อัตภาพได้ชีวิตมานั้นเราได้ใช้ชีวิตไปอย่างไรบ้าง แต่ถ้าหาก็าใช้เวลาแห่งชีวิตไปด้วยความไม่ประมาทแม้อายุจะน้อยือเกิดมาไม่นานแล้วก็ตายไปแต่ก็ดีกว่าคนที่มีอายุมากแต่อยู่ด้วยความประมาทมัวเมาซึ่งแสดงเห็นว่าเรื่องของชราในส่วนของร่างกายนั้นระดับหนึ่งก็บริหารร่างกายอย่าให้ชราเร็วเกินไป ระดัที่สองก็คือการยอมรับวาชารานั้นเป็นคติธรรมดาเรือความแก่นั้นเป็นคติธรรมดาของชีวิตเพราอมาถึงช่วงหนึ่งความแก่จะปรากฏเด่นชาติท่านเรียกว่าเอาปฏิดฉันชาราคือชาราที่ไม่ปิดแล้วแม้ความชราเปิดเผยปรากฏได้เห็นแก่สายตาของบุคคลทั้งหลายแม้จะมีคนที่หลงพยายามจะปกปิดกลบเกลื่อนความแก่ของตนเองในสุด ความแก่ก็ต้องปรากฏจนได้ถ้าบุคคลไม่ยอมรับก็จะต้องวุ่นวายอยู่กับความแก่เหล่านั้นกรนี้จะเห็นว่าก็ทรงสอนยอมรับความจริงว่าความแก่เป็นเรื่องธรรมดาแต่ในขณะเดียวกันาการจะแก้มให้แก่เราก็ทําไม่ได้พระเจ้าจึงสอนเรื่องที่บุคคลทําได้หมายถึงไงบุคคลเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นไป ในจุดของความเปลี่ยนแปลงนั้นร่างกายนั้นเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แก่ลงแต่ก็ให้จิตใจเพิ่มความเปลี่ยนแปลงในเชิงที่แก่ขึ้นแก่ขึ้นอะไรคือหมายความว่าเพิ่มคุณธรรมความดีขึ้นในจุดใดก็าตามแม้ที่ท่านใช้โบุหันทั่วไปก็ท่านพูดสั้นๆว่าแก่ศีลแก่ทานแก่ภาวนา หรือถ้าแก่ตรงนี้ร่างกายก็แก่หง่อมไปจริงแต่ว่าจิตใจมันแก่ขึ้นร่างกายแก่ลงร่างกายอ่อนแอลงจิตใจเข้มแข็งขึ้นจิตใจมีความทนทานต่อภาวะของกิเลสมากขึ้นร่างกายอ่อนไหวต่อโรคมากขึ้นแต่ว่าจิตใจทนทานต่อโรคใจสูงขึ้นก็กลายเป็นจิตที่ถึงจุดหนึ่งโรค ภายนอกจะเข้าไปเสียดแทงไม่ได้แล้วไม่สามารถที่จะสร้างความหวั่นไหวให้เกิดขึ้นกับจิตใจได้อย่างที่ตันแสดงว่าไม่หวั่นไหวในยามประสบความสุขหรือความทุกข์าการจะเดินมาถึงจุดนั้นก็อาจะ ก, กลายก็ตีเสียว่าทำอย่างไรจึงให้มีความหวั่นไหวน้อยลงนั่นก็คือการเปลี่ยนพยายามเพิ่มขึ้นที่จิตเคลือจิตแก่ขึ้นร่างกายแก่ลงเราหยุดแก่ไม่ได้ในบัง จะหยุดแก่ไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงอาจชะลอได้อาจชะลอไว้เพียงเล็กๆน้อยๆได้แต่ว่าหยุดไม่ได้เพราะเป็นกติธรรมธรรมดาแต่เราก็เพิ่มภูนให้จิตเจริญเติบโตขึ้นนี่ว่าไปเป็นผู้ใหญ่ขึ้นเหมาะสมแก่วัยซึ่งวันนี้จะเห็นว่าเมื่อเทียบในด้านความประพฤติเอาเฉพาะความประพฤติด้านเดียวคือคนบางคนนั้น อายุอานามก็อาจะมากขึ้นไปแต่ว่าความประพฤติไม่เหมาะสมแก่อายุบางชายเราใช้คำง่าบางครั้งเราใชรคำง่ายว่าไม่เป็นผู้ใหญ่คือถ้าดูอายุแล้วก็เป็นผู้ใหญ่แต่ความประพฤติการแสดงออกต่างๆไม่มีลักษณะเป็นผู้ใหญ่าเป็นเช่นนี้ก็ไม่มีใครยอมรับนับถือสถานะ เพราะมาอยู่เหมาะสมแก่สถานะบางคนนั้นมีคุณธรรมเหมาะสมแก่สถานะคือแก่วัยของตนตวเป็นที่ยอมรับว่าท่านผู้นี้เป็นผู้ใหญ่เหมาะสมแก่วัยแต่บางคนมีคุณธรรมเหนือวัยซึ่งหมายถึงว่าอายุอาจจะน้อยแต่ว่าท่านเหล่านี้ได้เพิ่มพูนคุณธรรมความดีขึ้นสูงเกินวัย ก็กลายเป็นบุคคลพิเศษเป็นที่เคารพสักการะของบุคคลทั้งหลายซึ่งก็นี้จะเห็นว่าโดยปกติการยกย่องนับถือคนนั้นเราเน้นไปที่วุฒธธิาสามหรือเจริญโดยชาติเจริญโดยวัยเจริญโดยคุณแต่ว่าท่านที่เจริญโดยคุณนั้นเปิดโอกาสกว้างให้คนทุกวัยทุกพื้นเพทุกสถานะเพิ่มคุณคุณธรรมความดีขึ้นมาแล้วสามารถจะเป็นผู้เจริญได้แม้วัยจะน้อยก็ตาม แล้วเมื่อถึงท่านที่เจริญด้วยคุณความดีแม้ท่านผู้เจริญโดยชาติเจริญโดวยวัยก็ต้องให้ความเคารพนับถือแก่ท่านผู้เจริญโดยคุณท่านผู้เจริญโดยคุณจึงชื่อว่าเป็นผู้เจริญที่แท้จริงยิ่งพออายุอนามท่านแก่มากเข้าก็กลายเป็นเป็นความเจริญที่สมบูรณ์เรียกว่าเป็นผู้ใหญ่ที่น่าเคารพนับถือกลายเป็นปูชนียบุคคลของ ครับครัวของสังคมก็แล้วแต่ผลงานของท่านที่จะกระจายออกไปนี่ก็เป็นหลักการประการหนึ่งที่จะเห็นได้ว่าเราไม่ถึงข่้มพ้นกับชาติชาราไปได้แต่เราก็ใช้ประโยชน์จากชาติและชาราได้ส่วนอะไรที่แก้ไขได้ก็แก้ไขส่วนอะไรที่ไม่สามารถแก้ไขได้ก็พยายามชะลอและในขณะเดียวกันก็ปรับใจยอมรับความจริงส่วนใดที่เพิ่มพูนได้ แม้ร่างกายจะแก่ลงแต่ก็พยายามให้จิตใจแก่ขึ้นโดยให้เพิ่มพูมในด้านศีลด้านภาวนาด้านทานด้านศีลภ า, นลานลวนาหรือด้านศีลสมาธิปัญญาขึ้นก็จะกลายเป็นบุคคลที่ได้สัมผัสผลแห่งธรรมะตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แก่บุคคลในฐานะนั้นๆซึ่งทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าเราจะปฏิบัติได้ในระดับเดียวกัน แต่ถ้าหากว่าเพียรพยายามเดินไปตามหลักที่ทรงแสดงไว้ในชั้นใดชั้นหนึ่งก็ตามในชั้นของชาติพยายามคุมความคิดของตนไม่ตกลงไปในกระแสของอกุศลคือไม่เกิดความร้อนร้อนเกินไปจนตกนรกจนเหมือนตกนรกไม่งมงายจนเกินไปจนเหมือนกระสัดที่ไราชาติหรือไม่ให้หิวกระหายเกินไปจนกลายเป็นจิตเหมือนกระเปรด แต่พยายามคุมความคิดจ้อยู่ในจุดของสมาธิิจะน้อยในชั้นที่ท่านว่าเห็นชอบตามทํานองครองธรรมอยู่ถือครองธรรมเป็นหลักเทียบเคียงได้กับหลักที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วก็สามารถที่ใช้ชาติคือความเกิดให้เป็นประโยชน์ได้จะบางทีที่โบราณนั้นใช้คําว่าไม่เสียชาติเกิดคือไม่เสียทีที่เกิดมาภาในด้านของชารา เาก็หาประโยชน์จากชร า, าได้ทั้งสองช่วงทั้งช่วงชร า, าปิดก็หาประโยชน์ได้ในช่วงชร า, าที่เปิดเผยขึ้นมาก็หาประโยชน์ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการทำใจยอมรับในแง่คติธรรมดาเพราะตามปกติแล้วใจจะไม่ยอมรับในคติธรรมดาข้อ น, นี้มักจะต่อต้านมักจะขัดขืนมักจะเดือดร้อนเพราะความแก่ที่บังเกิดขึ้น บางครั้งต้องเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแล้วก็อาจจะเสียทั้งอวัยวะเพื่อเพียงพยายามชะลอความแก่ของตนเอาไว้แต่ในสุดมันก็ชะลอไม่ได้วันเมื่อชะลอไม่ได้หรือว่าทําแก้ไขโดยสิ้นเชิงไม่ได้ที่จริงชะลอนั้นพอชะลอได้แต่จะแก้ไขอย่างสิ้นเชิงแก้ไขไม่ได้พระเจ้าก็ทรงสอนในสายที่ทําได้นั่นก็คือการเพิ่มพูนคุณธรรมขึ้นดังที่กล่าวไปแล้ว และคุณธรรมที่เพิ่มพูลขึ้นมานั้นเองจะทำหน้าที่กะจัดพวกโมหะพวกโลภะเป็นต้นซึ่งก่อให้เกิดสภาพจิตอย่างหนึ่งร่างกายอย่างหนึ่งอย่างที่ท่านแสดงเอาไว้ก็ทำให้บุคคลเข้าถึงความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และบางขณะบางโอกาสก็อาจจะเข้าถึงจิตของเทพบางโอกาสอาจจะเข้าถึงจิตของพรม และอาจจะสัมผัสผลที่สืบเนื่องจากความเป็นจิตของภริยะซึ่งหมายความว่าการปฏิบัติตนของบุคคลนั้นก็ใกล้ความสงบระงับดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ลงไปโดยดําดับถึงผลจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็ขึ้นอยู่กับอิทธิบาทภาวนาที่บุคคลอบรมกระทำให้มากเต็มตามกำลังความสามารถแห่งตนต่อจตกนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทงความสงบสื บ, สบต่อไป